แอย่าพข้าไปในไม่ได้เลย ม, ม, มันพิงแล้วไม่ค่อยอยู่พิงมาอยู่มันต้องพิงอนนันนั่งแล้วมันเมื่อยหลังตพิงองอกพรรษาีะฟังอะไรเจ็บฟังอะไรยมน้อง เรื่องกีด อ, อย่างเดียวบางคนตีกายยังไม่แตกนะไม่ลอยอ่ะเข้าใจเรื่องกายหรือยังยังค่ะเ่ยยังไม่เข้าใจา เ, าเข้าใจยังไม่ถ่องแฉะเนาะนเอาที่ฟังได้โดยทั่วไปมันก็หนีไม่พ้นอย่างเรื่องทานหนึ่งมื้อหนึ่งแล้วพิธีคงพิธีกรรม ถูกลแล้วเขาแชร์กันเล่นๆในโลกโซเชียลหรือเปล่าเรื่องห้ามพุทธลูกห้ามไปค้าขายกรถูกมงคลอะไรนะห้ามจำนายหรือเขาทำจริงใครติดตามมั่งมีใครติดตา ม, ม, ตตามโลกโซเชียลหรือนะ ไม่ความครืบหน้าอันนั้นมันล้าหลังแล้วนะเออตามดูแต่จิตตนเองไม่ได้ดูข่าวภายนอกเลยนะโอสสำรวมจังก็ดีนะมันก็ดีดูในจิตเราก็พออันลืมต่อทะเบียนรถเลยโดยการหวดไปอันลืมต่อทะเบียนรถน่ยมันใครก็ลืมได้หมดอะเีลืมทั้งสีเอเอาสี่เดือนเลยเหร สมควรแล้วล่ะสองรอยโหสร้เขาบอกว่าวันนี้ปล่อยได้อ๋อสิบ้าวันยี้ปล่อยได้คืออนุรมเยื้องหนาาเจริญนี้ไม่ได้นะ ยังเหลืออีกประมาณห้าวันยังยังมันจะหมดนะมันมาบอกว่าอีกห้าวันนะไปรีบไปต่อนะาีหายอีก 5, ห้าวันจะหมดไอ้นุ่นดับพ่นิ ด, ดนะอันนี้ภายเรียงัง หายกันแล้วก็เดินหนีไปไม่บอกกันยังไงกันเนี่ยปล่อยให้เราพูดเรื่องไร้สาระไปทั้งเยอะเรื่องไร้สาระก็มีไร่ะก็มีบ้าน ธรมไปด้วยจิบน้ำร้อนไปด้วยี่มันเป็นกิริยาที่มองดูไม่ดีในคนทั่วไปเพราะว่าเป็นไม่พูดธรรมะเป็นกิจลักษณะอเจริญสมวนนศูนย์ธรรมาหลักความเป็นจริงนี่ทำยังไงการคุยธรรมะนี่สามารถทำอย่างอื่นไปได้ด้วยไหมหรือให้ความเคารพธรรมแล้วก็ ไม่ให้ทำอย่างอื่นคุยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงคุยได้ไม่หลักหลักการที่แท้จริงมันเป็นยังไงในตำรานีไหมไม่ได้อืไม่ได้อ่านถ้าไม่ได้อ่านเราก็เราก็หาเหตุผลมาเป็นข้อยุติไม่ได้ ยิบ้้ําดวี่ถ้ามันผิดถ้ามันผิดก็จะไม่ทํานะถ่ายออกไปถ่ายออกไปอย่างนี้มันคนทั่วไปเขามองดูมันเหมากหมาะหรือไ่าะเลือกยังไงครับไม่มีใครช่วยพูดกับอาตามาบ้างหรือเรือร่องนี้ไม่ออกความเห็นกันบ้าง มมีความเห็นอะไรเลยถ้าพูดากทำหลัจริงาในตานแวในความเป็นจริงในชอจริงก็ูดนนาอย่างุก้เาตัวเข้าไปด้วยดเอนนแทงเลี่ยวเง่าไม่่าจะมีปัญหาาเความคิดของเราแต่ถ้าเป็ในา มันมีแบบสนทนาเรียกว่าธรรมสากัะชาอันนี้พูดธรรมะไปด้วยทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นธรรมเทศนาคือแสดงธรรมอันนั้นต้องเป็นกิจจากลักษณะไม่มีการการะทําอย่างอื่นร่วมใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าที่พูดว่า ย, ยังไงก็ต้องไปหาข้อมูลมาอยู่ดีนั่นแหละเราก็พูดกันเอาเองคิดกันเอาเองอย่างนี้ แต่มันมีในข้อที่เรียนทำเรียนทำนั้นคือผู้ให้ทำมากจะต้องให้ให้ทำมากเป็นกิจจลักษณะการเรียนทำจะไม่มีงานอย่างอื่นไม่มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาปนนั่นคือการเรียนทำแต่การกล่าวสอนทำแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมแสดงธรรมก็ต้องเป็นกิจจลักษณะ สนทนาธรรมกันอาจจะมีพูดคุยกันเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างอย่างไรอย่างเช่นภิกษุสนทนากันอยู่ในโรงโรงสนทนาเกงโน้นเรื่องนี้คุณพระเจ้าเขเข้าไปถามพปรดเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอาจเป็นเรื่องอื่นที่นอกธรรมนอกวินัยเพื่อเจ้าก็ดึงดึงภิกษุให้เข้ามาสู่หลักธรรมหลักวินัยอ๋อเรื่องอย่างนี้เหรอเรื่องนี้คื เคเป็นมาแล้วอะไรประเภทนี้เช่นพิสูจโท ก, กันเรื่องดินบ้านน้นดินสีดำบ้านนี้ดินสีแดงนย่เี้พรยาก็บอกดินสีดำหรือสีแดงภายอันนั้นแคบดินภายนอกเธอจงมารับรู้ดินภายใ น, ยนดินภายในอยู่ในยิญญาณกายเราย่านีน้ในข้อหมายนะคือสนทนา น, นั้นไม่เป็นกิ จ, จลักษณะหรือยังไง พอมองกันออกไหมมองไม่ออกอกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันสักเท่าไหร่จะาหาไงและและใช้ชีวิตให้ดาเนินแบบสอดคล้องกับหลักธรรมหลักศาสนาได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจกันนี้จริงๆหาข้อมูลก็แป๊บเดียวนะมันมีข้อมูลนะแต่มันขี้เกียจหาขี้เกียจก็นั่งอย่างนี้แหละ ไม่รู้จะคุยอะไรกันนั่งคุยนั่งมองอย่างเงี้ยิดเดหาข้อมูลจะเทศหาเรื่องเทศไม่ได้จะคุยภาหาเรื่องคุยไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องเทศไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องคุยมีแต่จะคุยเรื่องอะไรจะเทศเรื่องอะไรเพราะต้องระวังการฝูดอ ย, อย่างมากในช่วงนี้ นะนอต้องระวังเลยเรามันกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะพูดอะไรให้มันเป็นแบบสบายๆแบบแต่ก่อนนี้ไม่ได้แล้วต้องระวังแลื่ืงที่จะพูดอันนี้ก็อยากจะถ่ายกันเลอกเกินถ่ายออกไป คนแชร์ก็แชร์ไปตรงไหนก็ดูกันหน่อยกลุ่มที่เขารับได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ากลุ่มที่เขารับไม่ได้มันก็มีเรื่องเป็นน่ มคิดว่าจะให้พูดแบบไหนแบบแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมดีกว่านี้คือถูกใจเราเพอดีออมันถูกกับกิเลสเราจริงว่าดีกว่ายัางงั้น ห, หรื อ, อยังไงแบบไหนควรจะเป็นแบบสนทนาแบบไหนควรจะเป็นแบบแสดง แบบที่เป็นการแสดงธรรมอยากจะฟังการแสดงธรรมไม่ต้องเอาแบบสนทนาใช่ไหมนะได้ไดในวันนี้ก็ให้ตั้งใจฟังในลักษณะธรรมะที่เป็นการแสดงธรรมจากอรตมาตั้งใจฟังให้จิตรับรู้รับทราบอยู่ภายในตนเองให้มันอยู่ในวงของกายอย่าให้จิตออกไปภายน อ, อกกายเพราะ ถ้าจิตมันตั้งอยู่ในกายความรับรู้ในสิ่งที่แสดงออกไปก็จะเกิดความตั้งมัน่นหากจิตออกไปอยู่นอกกายก็เรียกว่าสัตสายหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตของเราถ้าไม่ตั้งไว้มันก็จะไปตามวิสัยของมันที่บวงทรงตัดไว้ว่าประดุษดังวานอนหรือว่าลิงจับกิ่งไม้กิ่งนี้โอนไปกิงกงก่งไม้กิ่งโน้นจับกิ่งไม้กิ่งโน้นโยนตัวไปกิ่งไม้กิ่งนี้สลับสั บ, ส บ, สบเปลี่ยนกันอย่างนั้น นั่นคือลิงลิงยังมีเวลาหยุดพักในการโหนกิ่งไม้แต่จิตใจของเราไม่เคยมีการหยุดพักในการโหนกิ่งจับอารมณ์นี้ปล่อยอารมณ์นั้นเกาะอารมณ์โน้นดึงอารมณ์นี้เข้ามาวนเวียนอยู่ภายในจิตตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องเข้าใจนะทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เวลาหลับจิตมันก็ไม่ได้หยุดหาเรื่องไปอยู่ในความฝันมันก็มีคือจิตมันจับยึดอารมณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะเราต้องเอามาตั้งไว้ตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่กายก่อนเป็นดับแรกเขาเรียกว่าการที่จิตเราจะตั้งอยู่ในกายได้ต้องใช้การระลึกระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นพ้าจิตไปตามสัญญาณการระลึกเมื่อเราระลึกอยู่ในกายจิตก็จะตั้งอยู่ในกายเมื่อเราตั้งอยู่ในกายได้แล้วการรับรู้ภายในกายก็จะเป็นการเปิดการรับรู้ทาง อายตนะคือโสตรประสาทของเราและนําความรู้ในการรับฟังธรมธรมเทศนานี้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในภายในจิต ใ, น ใ, นใจของเราแล้จะเริเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้และความเข้าใจที่นาใจตองต่าตงาวางกายไว้ตามสภาพเดิมของกายไม่ต้องเกรงนั่งอยู่ในท่าที่สบายปล่อยใจให้อยู่กับกายไม่ต้องบังคับไม่ต้องถึงกับเพ่งและไม่ต้องถึงกับจดจอ พยายามรับฟังแล้วก็พิรนาตามได้ก็ควรจะพี่จาจรณาธรรมะเป็นชื่อของความจริงคาว่าธรรมะเป็นการพูดถึงความจริงที่มีอยู่ในหลักธรรมชาติความจริงที่มีอยู่ในหลักธรรมชาติคือความจริงที่มีอยู่แม้จะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ความจริงเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่คงอยู่เป็นไปอยู่ตามภาวะพี่ใสของมันเมื่อ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่คงอยู่เป็นไปอยู่ตามภาวะวิสัยของมันการที่เรามาศึกษาธรรมหรือมาฟังธรรมก็คือมาฟังสิ่งที่เป็นความจริงในภาวะวิสัยของมันเพราะนั้นคําว่าธรรมะนั้นคําคําเดียวจึงเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นจริงของธรรมชาติของสิ่งนั้นๆธรรมะ มาจากคำว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงเราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงหลักใหญ่ๆที่เป็นมูลเหตุของความมีอยู่ในสภาพสังขารทั้งหลายหรือว่าสัพสังขารทั้งหลายจะตั้งอยู่มีอยู่เกิดขึ้นได้ก็อาศัยมูลเหตุใหญ่ๆที่เรียกว่ามหาพูดสี่มามหาพูดรูป ก็คือดินน้ำไฟลมดินน้าไฟลมได้ชื่อว่าเป็นมหาพูดเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบใหญ่ของบรรดาสิ่งที่เป็นรูปทั้งหมดหากไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมก็ไม่มีสิ่งที่เป็นสังขารในด้านรู ป, ปรูปสังขารไม่สามารถที่จะมีอยู่ได้คะรูปสังขารทั้งหมดทั้งปวงอาศัยดิน อาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมในการตั้งอยู่แม้แต่กายของเราเองก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอ า, อาศัยลมเป็นที่ตั้งอยู่ประกอบกันอยู่เมื่อปราศจากดินปราศจากน้ำปราศจากไฟ ป, ปราศจากลมก็ปราศจากกายความมีอยู่ของกายไม่สามารถมีอยู่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงก็คือในด้านรูปปรธรรมเป็นมหาพูดสีเนี่ย ดินทรงไว้ซึ่งความแข็งแข็งน้ำทรงไว้ซึ่งความเหลวและเ อ, อืบอาไฟทรงไว้ซึ่งความร้อนและอบอุ่นลมทรงไว้ซึ่งความพัดไปมาธาตุแต่ละธาตุมีความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้นั่นเองจึงได้ชื่อว่าเป็นความจริงแต่ความจริงของคําว่าธรรมะแตกต่างจากความจริงในด้านของสัตว์อย่าง ความจริงของด้านของธรรมะนั้นคือความจริงในสิ่งที่มันเป็นตามภาวะอิสัยของมันแต่ความจริงในด้านของสัจจานั้นก็คือความจริงที่เป็นจริงความจริงที่เป็นจริงของสัจจะก็เรียกเป็นความจริงที่คงอยู่คงอยู่อย่างนั้นความจริงที่คงอยู่อย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นมันแตกจากการธรรมะที่บัดิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงธรรมะนั้น ครอบคลุมถึงสรรพสิ่งทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมนั่นคือธรรมะหรือเวทนาก็ทรงความจริงไว้ซึ่งเช่นเช่นสุขก็ทรงความสุขไว้โดยตัวของมันทุกข์ก็ทรงความทุกข์ไว้ในตัวของมันทรงความจริงหมันเป็นความจริงนก็คือความสุขก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งควา ม, มทุกข์ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งแต่มนุษย์ไม่เข้าใจขับธรรมะเรื่าความจริงเนี่ย คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงมีตัวของมันมนุษย์ไม่เข้าใจในธรรมะเวลาสุขเกิดขึ้นตั้งจิตปัวพันยินดีในความสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งจิตผักดันปฏิเสธหรือไม่ต้องการทั้งๆ ท, ที่ความสุขเป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งตัวของมันความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งตัวของมันซึ่งมันจะต้องเกิดมาตามเหตุปัจจัยและภาวะวิสัยของมันไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง หลักแห่งความจริงตัวนี้ได้มันต้องเกิดมันต้องเป็นมันต้องมีมันจะต้องหมายถึงว่ามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครนี่คือความจริงในด้านของธรรมะแม้แต่สิ่งที่ดีก็คือธรรมะสิ่งที่ไม่ดีก็คือธรรมะแลธรรมะไม่ใช่ว่าพูดถึงธรรมะเราก็จะพูดถึงแต่สิ่งที่ดีอย่างนี้ยังไม่ใช่ธรรมะคือกุสสรธรรมที่ในสิ่งที่ดีปุสสรธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งความจริงในทางที่ไม่ดี แต่มนุษย์จะยอมรับความจริงในทางที่ดีความจริงในทางที่ดีไม่ดีไ ม, upa, ไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับความจริงในทางที่ไม่ดีก็คือไม่ยอมรับความจริงนั่นเองเมื่อไม่ยอมรับความจริงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงและไม่สามารถเข้าใจความจริงได้มันก็เลยเกิดปัญหาพรดังการที่วง์ทรงสอนธรรมะหรือแสดงธรรมะหรือชี้ให้เราได้เห็นธรรมะคือเห็นความจริงของสิ่งนั้น น, นและสิ่งนั้นๆมันก็อยู่ในตัวเราดินน้ำไฟลมก็อยู่ในตัวเรา สุขทุกข์ไม่สุข ม, ม่ทุกข์ก็อยู่ในตัวเราดีชั่วก็อยู่ในตัวเราบุญบาปก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่อื่น <ST fold> แล้วมันมีความความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่หนีออกไปจา ก, จากพ้นจากบุญจากบาปก็มีความจริงที่ไม่ต้องมาบนเบียนความจริงที่มันเป็นของมันจริงอย่างนั้นน่ะ ม, มันมันเขาเรียกว่ามันมีรากฐานมาจากธวรมธรรมะหรือทลธาคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งตัวของมันที่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงในด้านสัจจานั้นน่ะ เป็นความจริงในชั้นของอริยสัจคือด้านสัจจะหรือชั้นของอริยสัจนั่นหมายถึงว่าทุกๆคนที่มีรูปประทัหรือนามารมนั้นจะต้องมีความทุกข์มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดผ่ามีความไม่ได้ดั่งใจไหมมีความปัถจานะสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เป็นความจริงในด้านสัจจะสัจจะคือความจริง ความจริงที่มันจะต้องเป็นนะอันเนี้มันต่างจากความความจริงของภาวะวิสัยในสิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติของรูปธรรมหรือนามธรรมสิ่งที่เป็นธรรมชาติของรูปธรรมหรือนามธรรมความจริงเหล่านั้นเป็นความจริงทรงไวท้ทังตั ว, ตวของมันไม่เกี่ยวกับว่าจะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์แต่ความจริงในด้านสัจจ์มีมนุษย์มันจึงมีคือความทุกข์ทุกข์สัจจ์ หาไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีใครสัจจอนี้ก็ไม่มีแล้วสัจจข้อนี้ผู้เจ้าก็จะไม่สอนไว้เพราะถ้าไม่มีมนุษย์ไม่รู้จะสอนไปทําไมจะสอนให้ใครแต่พอมีมนุษย์นะั่นแหละผู้เจ้าจึงได้สอนสัจจค์คือความจริง<ม>โดยชีย้ให้เห็นธรรมะที่มันเป็นจริงสัจจคที่เป็นความจริงนี่พงทรงตัดสอนทุกเหตุที่เกิดทุกข์ความดับไปของทุกข์และทางดับทุกข์การที่พงทรงสอนอย่างนี้ เพื่อให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราเป็นก็คือความทุกข์นั่นหมายถึงว่าการที่พงษ์พยายามบอกให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่มันเป็นในด้านของสัจจ์ของชีวิตหรือสัจธรรมของชีวิตเนี mm ่ย hmm. ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นความจริงที่อยู่กับเราการที่พงษ์ทรงบอกว่าให้พวกเราเห็นความทุกข์ที่เป็นความจริงที่อยู่กับเรา mm hmm. เพื่อที่จะให้เรากาหนดหมายรอบรู้ความทุกข์นี้ ที่มีอยู่ในชีวิตของเราเป็นเครื่องยอมรับให้จิตของเราไม่วันไห้กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าจิตเราวันไห้กับความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมะจิตที่ไม่วันไห้กับความทุกข์จึงจะสามารถเห็นธรรมะได้แต่ธรรมดานั่นแหละเราก็ต้องมีความหวันไห้กับความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าเกิดขึ้นจิตเราวันไห้หมด พอราจิตเราหวั่นไหวเราต ก, ตกอยู่ภายใต้ของความกลัวพอเราไม่กล้าเผชิญกับความทุกข์เมื่อเราไม่กล้าเผชิญความทุกข์ความตัวความกลัวครอบำงำกลัวที่จะไม่สมหวังกลัวที่จะไม่สําเร็จกลัวความทุกข์ที่จะมาถึงตนกลัวสิ่งต่างๆนาน า, นานมากมายภายในชีวิตแล้วความกลัวเหล่านี้หากเราไม่รู้จักการแก้โดยอาศัยความจริงเขง้ามาแก้คือการยอมรับความจริงมีสิ่งที่มันเป็น ความกลัวก็จะไปหมดไปจากใจเราการที่วงทรงสอนให้เรารู้จักสัจจ์เพื่อแก้ไขความกลัวในจิตไม่ให้ความกลัวในจิตของเรานั้นครอบงำหรือทำให้เราขาดสติขาดปัญญาวงจึงกล่าวสอนให้เรามีสติเวลาเผชิญกับความทุกข์มันจะเป็นความทุกข์มากหรือน้อยหรือแบบไหนเข้ามาภายในชีวิตของเราก็ตาม ตั้งสติรับรู้มันมันนี้คือความทุกข์ความทุกข์นี้เป็นสัจจ์ของชีวิตหรือว่าเป็นความจริงในด้านที่ทุกคนจะต้องเจอจะต้องเผชิญคาว่าเผชิญ น, นั้นหมายถึงว่ารู้จักยอมรับและเข้าใจว่าทุกข์นี้เกิดมาเพราะมีเหตุเนี่ยเมื่อเราได้ทราบในภาวะแห่งความเป็นจริงชีวิตในด้านสัจจ์มันจะทําให้เราได้ทราบความจริง ของหลักธรรมชาติคือความจริงของสิ่งนั้นๆความจริงของสิ่งนั้นๆคือความจริงของของสิ่งที่มันเป็นอยู่ตั้งอยู่ดำเนินไปอยู่มาแต่การไห น, ไ, หนไม่เกี่ยวกับจะมีเราหรือไม่มีเราแต่เมื่อมีเราขึ้นมาโดยอาศัยองค์ประกอบจากสิ่งที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเราจึงเกิดการปฏิเสธเกิดการไม่พอใจกับ สิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งหรือสิ่งที่มันไม่ได้อำนวยผลหรืออำนวยประโยชน์กับชีวิตของเราในทางที่ดีเมื่อเราปฏิเสธมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, เ, ขาเราจึงหาวิธีทางและผหนทางเพื่อที่จะหลีกหนีหรือไม่อยากจะประสบกับมันแต่วุทธเจ้าทรงบอกว่าการหลีกหนีด้วยวิธีการต่างๆนั้นในชีวิตของเราที่เป็นอยู่ไม่สามารถจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้ แต่การหลีกนี้ด้วยพรรยุทธปัญญาโดยการรู้จักสัจจคของชีวิตว่า ม, มันต้องเป็นข้อมันอย่างนี้หมายถึงว่ามันต้องเป็นทุกข์ที่เป็นอยู่การที่เรารู้ว่าชีวิตเราต้องเป็นทุกข์เราจะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับชีวิตของเราว่าชีวิตเราจะเป็นไปในด้านที่ดีหรือไม่ดีหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปรารถนาให้ชีวิตเราดีนะคือเราทุกคนปรารถนาชีวิตดีทั้งนั้นแหละแต่เมื่อมีการปรารถนาแล้วเราเกิดความคาดหวังในสิ่งที่เราปรารถนา การที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราปรารถนามันจะเกิดความรู้สึกอยู่2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือหากเราตั้งความปรารถนาในชีวิตในทางด้านที่ดีแล้วแล้วสิ่งที่เราตั้งความปรารถนานั้นบรรลุถึงผลสาเร็จคือเราตั้งไว้นะถ้ามันบรรลุถึงผลสำเร็จเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นแต่อความรู้สึกดนึงก็เกิดขึ้นว่าแล้วถ้ามันไม่สำเร็จมันจะเป็นยังไง มันแน่นอนอันสําเร็จให้ความสุขอันไม่สำเร็จก็ต้องให้ความทุกข์จิตใจเราจะหวาดหวัน่นพอจิตใจเราหวาดหวั่นปั๊บเนี่ยเรากลัวว่ามันจะไม่สําเร็จเมื่อเรากลัวว่ามันจะไม่สำเร็จปั๊บเราจะต้องคือคนน่ยมันจะต้องมีวิธีการเพื่อการทําความปรารถนานั้นให้บรรลุถึงผลสําเร็จจึงหาวิธีการต่างๆเพื่อมาสนับสนุนความปรารถนาของตนเองให้เปบรรลุผลถึงความสําเร็จและการหาวิธีการต่างๆอันนี้นี่เองเนี่ย มันมีวิธีการหลากหลายอย่างที่คอยตอบสนองความต้องการของคนเพื่อให้คนได้ไปถึงความสําเร็จกระแสต่างๆที่เป็นค่านิยมเป็นเครื่องชักชวนชักจูงเชิญชวนเราบอกว่าทําอย่างนี้นะชีวิตจะสำเร็จทำอย่างเงี้ยชีวิตจะดีทำอย่างโน้นนะชีวิตจะรุ่งเงินจะได้โชคทำอย่างนี้จะได้ต่างๆนานา ม, มากมายเนละมันมีมากไม่ใช่น้อยบางคนเข้าไปอยู่ในวิธีของ ความปรารถนาแล้วสแสวงหาสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการเพื่อให้ตนเองสำเร็จผลแต่ก็ยังมีคนที่เจอสิ่งที่ไม่สาเร็จผลตามความปรารถนาและความต้องการของตนนั่นหมายถึงว่าเราใช้วิธีการอื่นใดก็ตามที่มันไม่ตรงกับหลักความจริงสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้อำนวยประโยชน์หรืออำนวยผลในทางที่ถูกต้องให้กับเราพระเจ้าบอกว่า ใครก็ตามปัตธนาความสําเร็จใครก็ตามปัตธนาความเจริญใครก็ตามต้องการบรรลุถึงผลอันที่ตัวเองตั้งใจไว้ไม่ต้องไปคาดหมายในภายภาคหน้าของอนาคตว่าสิ่งนั้นจะสําเร็จหรือสิ่งนั้นจะไม่สําเร็จเพราะเราไปคาดหมายหรือคาดหวังให้ชีวิตสําเร็จตามที่ตัวเองต้องการและปัตธนาไปการคาดหวังนี่แหละมันสร้างความหวาดหวั่นภายในจิตเพราะมันมีอยู่2ลักษณะคือสําเร็จก็ไม่สําเร็จมันมันจะเป็นกึงก่งๆแล้วเราก็ทุกข์ ก่อนที่มันจะเกิดผลขึ้นมาแล้วทุกเราทุกแล้ ว, ล ว, ลวตอนเนี้แล้วเราก็เลยสแสวงหาสิ่งที่จะแก้ไขอั น, นั้นผิดจุดพุทธิยาวา่าไงมันไม่ถูกแล้ววิธีการทำยังไงโฟบอกว่าจะไปคาดหวังทําไมเพราะนั้นคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งจิตหรือตั้งปัญหาเพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความสําเร็จเราก็มาสร้างเหตุพุทธิย่า ว, ว่าเหตุที่จะเป็นไปเพื่อความสําเร็จคืออะไรก็หาเหตุนั้นเมื่อหาเหตุนั้นก็สร้างเหตุนั้นให้ เต็มความสามารถตั้งฉันท่ความพอใจพอใจตั้งวิริยะความภาคเพีเยรตั้งจิตตะเอาใจฝักใฝ่แล้วก็วิมังสามันติดต่องี้ณะหาเหตุผลในสิ่งที่เราทําเมื่อบุคคลได้ก็ตามมีองค์ธรรมทั้ง4ประการนี้ประกอบพร้อมในขณะใการสร้างเหตุอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานทางโลภหรือการงานทางธรรมบุคคลนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต ชีวิตเราจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างอนาคตจะเกิดขึ้นได้ก็ไปจากการการะทำในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้สาเร็จจากการโดนบนนันดันหรือไม่ได้ถูกกำหนดให้ได้รับผลสมบูรณ์เจริญหรือสาเร็จไว้ก่อนแต่ชีวิตเราจะไปถึงผลแห่งความสมบูรณ์และสำเร็จได้จากเหตุแห่งการการะทำของเราเองเป็นไปไม่ได้ที่ เราไม่ได้ทําเหตุที่ถูกต้องแล้วไปได้รับผลนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทฤษฎีไหนรองรับว่าอยู่ใฉ้ๆเดี๋ยวก็ถึงความสําเร็จเองไม่มีไม่มีแต่การสร้างเหตุผู้ได้เจ้าก็ปรารถนาโปรติญาณกว่าจะถึงความสําเร็จก็เสียอสงไข่ในอีกแสงกลับเพื่อทำเป็นกําไรก็คือระดับนั้นตามตําราที่กล่าวไว้เมื่อสียอสงไข่เมื่อ พระองค์สร้างเหตุเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วเหตุที่พระองค์ทรงสร้างนั้นนะข้ามพบข้ามชาติข้ามวัาแตสงสารมาไม่รู้เท่าไหร่ไปนรกไปสวรรค์ไปพรหมไปไปายไปแต่ละพบแต่ละชาติไปแต่ละที่นี่พระองค์ทรงสร้างพระองค์งทร ง, รงประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญการที่พระองค์ทรงสร้างประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญอันนั้นจึงเป็นเครื่องนํามาซึ่งผลสําเร็จในความเป็นสมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ได้มาแบบ ล, ลอยๆ หรือบารมีแ ก, ก่กานะเต็มบริบูรณนะ์แล้วแม้จะถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ออกบําเพ็ญเพียรไม่ออกมาสแสวงหาโบกธรรมอย่างเงี้ยไม่ค้นคว้าด้วยสติปัญญาของโพลทางด้านสัจธรรมโพง ก, ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้นั่งกินนอนกินบารมีเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็บรรลุเองเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะศาสนานี่เลือกหลักปฏิบัติหรือสัจจะอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งคือว่า เราทำอะไรเราก็ได้รับผลอันนั้นนั่นคือความจริงเมื่อความจริงกำหนดไว้ว่าเราทำอะไรเราก็ได้รับผลอันนั้นเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นมาจากเหตุคือการกระทำเราก็ไปดูเหตุอยากให้ชีวิตเป็นไปแบบไหนมาดูเหตุแล้วก็สร้างเหตุเมื่อเรามาดูเหตุและสร้างเหตุได้ชีวิตของเราจะไปตามเป็นไปตามเหตุที่เราสร้างนั้นนั่นแหละเพราะนั้นผลอะไรปรากฏกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากเหตุแห่งการกระทำของเราทั้งสิ้น ไม่ได้มาจากเหตุอื่นหรือบางทีเราอาจจะมองว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราคนลู้นทำให้เราเราได้รับโทษรับทุกรับอะไรต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมาจากเหตุปัจจัยภายนอกคือคนอื่นที่คนอื่นมาทํานั่นแหะมันเป็นเรื่องของเหตุที่เราก็ทําไว้แต่ปางก่อนแต่เหตุมันจะอาํานวยผลโดยอาศัยบุคคลอื่นกระทาเราจึงไปมองที่ตัวบุคคลเราไม่ได้มองเหตุแห่งการกระทำของตัวเราอันนั้นคือความเข้าทางปัญญาที่เราไม่เข้าใจ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปเมืองที่มีคนด่าคนว่าคนที่เขาไม่พอใจไม่ใช่ว่าเหตุแห่งความทุกข์หรือว่าเหตุแห่งความไม่ดีที่พระองค์ได้รับนั้นมาจากชาวบ้านเขาเป็นผู้กระทําเขาบอกสมณะโลนไม่ต้องใส่บาตรเหตุไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเอเหตุไม่ได้ไม่ได้มาจากชาวบ้านแต่เหตุมาจากการกระทําของพระองค์แต่อดีตพระองค์ก็บอกว่าพระองค์งเคยว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาอย่างเงี้ย มันก็เป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลที่ไดรับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเราจะได้รับอะไรก็ตามในปัจจุบันชาตินี้ทั้งดีและไม่ดีนั่นคือผลที่มาจากเหตุแห่งการกระทําของเราใครจะให้สิ่งดีๆกับเราก็คือเราทําสิ่งที่ดีๆเพื่อให้เราได้รับสิ่งอื่นๆที่ดีจากคนอื่นใครกระทาที่ไม่ดีกับเราก็เราเคยสร้างเหตุที่ไม่ดีในการกระทํากับบุคคลอื่นในเหตุที่ไม่ดีอันนั้น เพราะนั้นอย่าไปสงสัยในความเป็นไปของชีวิตเมื่อเราทราบว่าเหตุที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญคืออะไรแล้วเราสร้างเหตุไม่ต้องไปคาดหวังในผลใดๆทั้งสิ้นนะผลมันจะเอาหน่วยเพราะผลจะเอานวยไปตามเหตุที่ถูกต้องทีนี้พระเจ้าทรงสแสดงเหตุที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญความสําเร็จในชีวิตมีอยู่สามสิบแปประการก็ เ, เรียกว่ามงคลสามสิบแปด มงคลสามปดอาตมาจำได้เนี่ยหมดจได้แค่ว่าอยาคบคนพาลหนึ่งให้คบบัณฑิตสองบูชาคนที่ควรบูชาสามการทําบุญในแบบปางก่อนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งถ้าใครได้ทําบุญไว้ในปางก่อน่ปัจจุบันนี้จะไม่ต้องไปมิตกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเป็นยังไงบุญที่ทําในปางก่อนอํานวยผลให้แน่ ผลักดันให้เราไปถึงความสำเร็จได้แน่นอนแต่ถ้าไม่เคยทําบุญีนปางก่อนนี่ก็เช็คตัวเองได้ง่ายๆทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรก็ไม่เคยดีทําอะไรก็พูดใบมันมันมันมันเกี่ยวโยงกันมาแต่อดีตเจ็บไข้ได้ป่วยอาภาษต์แบบอัตมานี้เก็บไข้ได้ป่วยก็มาจากเหตุอดีตเท่านั้นแหะที่มันส่งผลอยู่ไม่ใช่มาโทษว่าเป็นเพราะสภาพอากาศมันเย็นเกินไปเป็นเพราะเรากินอาหารแสลงโลกอย่างนี้จริงๆอาหารแสลงโลกมันก็เกี่ยว แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วอาหารไหนมันก็กินได้หมดที่มันอ่อนแอเพราะอะไรก็ปานาติบาสมาก่อนเงี้ยลังสงผลกินอาหารอะไรก็สแสลงอ่อนแอไปหมดเลยเจออากาศเย็นก็ขี้หนาวเนี่ยแล้วก็เกิดไม่สบายอะไรขึ้นมามันเรื่อล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลมาการส่งผลของปัจจัยที่มาจักเกณฑ์ไม่มีการส่งผลผิดให้ผลผูกทุกกระเบียดนิ้วในชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย การที่พระองค์ทรงมาสอนเรื่องความทุกข์เพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจชีวิตว่ามันเป็นความจริงเราจะต้องไม่ต้องหวาดวันกับความทุกข์หรือวาดที่ตกกับความทุกข์หรือไม่ต้องคาดหมายคาดหวังอะไรกับชีวิตให้มันมากเกินไปหรือพิจริงจังจนเกินไปกับชีวิตขอให้เรารู้จักการสร้างเหตุสร้างเหตุนะ ส, สร้างให้จริงจังได้ชั้นท่าพอใจในการการะทําวิริยะพาคเพียรในการกระทาจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในการตตา ก, การะทําวิมังสามันติดตอที่นาหาเหตุผลในการกระทําแค่ได้อย่างเงี้ย แล้วชีวิตขเราจะเป็นไปเพื่อความสุขความสําเร็จได้แม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติวิริยะภาคเพียรในการปฏิบัติพอใจอย่างเดียวไม่เพียรเนี่ยไม่ได้ต้องเพียรด้วยเพียรอย่างเดียวไม่พอเอาใจฝักไฝตั้งจิตตั้งใจทําทําจิตให้มันมั่นคงอยู่นั่นแต่จิตมั่นคงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้ปัญญามีบางสามันติตองพิจารณาเหตุผล อะไรผิดอะไรพลาดอะไรถูกอะไรผิดจับโยงจับพิจารณาจับเทียบเทียงเอาให้มันละเอียดรอบครอบก็นะจะถึงผลสําเร็จตรงตามความนะปัถานามรรคผลแต่ความเพียรหรือคุณเครื่องที่จะนําไปสู่ความสําเร็จไม่เพียงพอและไม่รู้จักเหตุแห่งการประพือไปถึงความสําเร็จนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจเหตุที่แท้จริงว่าเหตุนี้จะนําไปสู่ผลสําเร็จได้อย่างไร แม้มีความเพียรมากมันก็ไม่สำเร็จผลต้องทราบเหตุก่อนเมื่อพวงทรงตัดมงคลส8ก็ไปไล่เช็คดูว่าในมงคล38มีอะไรจำได้เท่าที่พูดออกไปนี่แหละมันจำได้ไม่หมดถ้าสใั้เป็นหนุ่มยังจำได้อยู่ก็แก่มาแล้วจำได้ไม่เยอะนี่คือการแสดงธรรม ให้พวกเราได้เข้าใจในหลักธรรมในหลักธรรมที่เป็นความจริงของมันพอเข้าใจความเป็นจริงของมันอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ดุจะไปเอาอะไรกับสิ่งที่มันเป็นจริงของมันเราเปลี่ยนมันไม่ได้เมื่อเราเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นการลำบากที่จะพยายามพ่าไปเปลี่ยนเราก็จะได้ทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นการลำบากแล้วก็เป็นทุกข์เราจะไปเปลี่ยนมันทำไมก็มีต้าที่ยอมรับเพื่อเจ้าก็ยอมรับความแก่เพื่อเจ้าก็ยอมรับมันต้องแก่เปลี่ยนไม่ได้ความเจ็บพวกก็ยอมรับ เอไงจนผู้เจ้ายอมรับถึงพวกองเปลี่ยนไม่ได้ความตายผู้เจ้าก็ยอมรับคือยอมรับในความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในกายสังขารนี้แต่ถ้าหมดกายสังขารนี้แล้วผู้ได้เจ้าไม่ไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ที่ไหนอีกแล้วเพราะที่ที่พง์ละชีวิตไปนั้นเรียว่านิพพานแล้วปรินิพพานแล้วไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนั่นคือหมายถึงพระองส่งชนะความแก่ความเจ็บความตายโดยที่ ปาสจากสังขารในการนําเกิดไม่มีการเกิดในที่ในนายอีกอย่างเงี้ยวเราอายุติหรือว่าหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราต้องก้มหน้าก้มตายอมรับแก่มากก็ยอมรับเจ็บมาก็ยอมรับตายมาก็ยอมรับพัดภาคมาก็ยอมรับไม่ได้ดั่งใจหมายก็ต้องยอมรับปราัทนะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องยอมรับยอมรับเราต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับนี่ เราก็อยู่ตกตกอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวจะไม่สำเร็จกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สาลักัดอันนี้จะกลัวความกลัวไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับจิตใจของเราแต่บุคคลผู้อยู่ภายใต้ความกลัวก็ต้องกลัวเป็นเรื่องที่ต้องกลัวเพราะเป็นวิสัยยึงหนึ่งของจิตที่ขาดกําลังเราจึงมีหลักยึดหลักพึ้นทางใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์เมื่อเรามีหลักยึดหลักพึ้นทางใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เราก็จะอาศัยหลักยึดหลักพึ่งทั้งๆ ท, ที่ยังมีความกลัวอยู่ก็ระลึกถึงพระทีเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสละลงฆ์เป็นหลักยึดเพราะการนับถือพระหนตาใมี2ลักษณะลักษณะ1คือยึดพึ่งทางใจคือใช้เป็นที่ยึดพึ่งทางใจเกิดเกิดความทุกข์เกิดความกลัวเกิดความสับสนวุ่นวายพฟุ้งซ่านลำพานวันมิตกให้นึกถึงพระทีเจ้าพระพระสงฆ์ก่อนพระทีเจ้าเป็นที่พึ่งของเบื้องบของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งประเบื้อของข้าพเจ้า ผสมเป็นพึ่งกับป ร, ระเสริฐของข้าพเจ้าตั้งจิตให้มันมั่นคงให้มันดิ่งอยู่กับผู้ได้เจ้าพระธรรมประสงค์คิดย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำจนจิตนั้นสามารถรับรู้รับทราบอนุภาพแห่งผู้ได้เจ้าพระธรรมประสงค์ได้อนุภาพเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับใจเราได้ถ้าเรานึกอยู่บ่อยๆจะมีกระแสเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในหลักธรรมชาตินี่คือการพึ่งพระนรัยในทางในการยึดพึ่งมีพระนารัยในการยึดพึ่งประเภทที่2การยึดถือพระนรัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันนานใจ ให้จิตใจของเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติหรือต้าเผชิญกับความจริงมีแรงบรรดาใจในการที่เราจะสามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้แบบพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาอยู่ภายใต้ความวันวิตกความวัดกลัวมีแรงบันดาใจในภายเนะี่ยโอ้พระุทธเจ้าก็ผ่านความทุกข์มาไม่รู้เท่าไร่เท่าไหรกว่าพระองค์จะสําเร็จความทุกข์ของเราแค่นี้ยังไม่เท่ากับพระพุทธองค์พระ อ, องค์แทบจะสิ้นลมหายใจลุบไปตามผิวหนังขนหลุดร่วงไปเป็นแถ ไม่ได้พบไม่ได้ บ, บริโภคอาหารทําทุกขลากรกิย์ยาความทุกข์มันแทบปางตายแทบตายเกือบจะตายหรือเฉียดตายหรือถ้าไม่ได้บริโภคอาหารในวันนั้นก็คือตายไปเลยแหละแต่ก็ความเป็นสมาสัมพุท ธ, ธาลอยอยู่ยังไงก็ตายไม่ได้นะในชาติสุดท้ายเขาได้รับบริโภคอาหารแต่ยังถูกเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็นผู้คายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากก็เป็นไรองค์สําเร็จสัมมาสัมพุทญาณด้วยมขปิปทาที่เป็นเส้นทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแล้วก็สําเร็จผลอะไรก็ตามทําถูกเหตุของมันอ่ะมันจะนำมาซึ่งผลสําเร็จอะไรก็ตามถ้าทําไม่ถูกเหตุของมันถาจนวันตายก็ไม่นำมาซึ่งผลสําเร็จจะอดอาหารจนตายมันก็ไม่กิเลสไม่หมดหรอกอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้เหตุปัจจัยที่จะนําเราไปสู่ผลแห่งความสําเร็จ ด, ด้วยความจเจริญให้ได้และก็ทําเหตุนั้นด้วยอิทธิบาทสีคค่คุณเครื่องคุณเครื่องแห่งการนําไปสู่ความสําเร็จเรียกว่าฉันทาวิริยกิตตายมังสานั้น ในโอกาสในการออกพรรษาในวันนี้ก็ได้แสดงธรรมที่ได้แสดงมานี้ให้พวกเราได้นำไปใช้อะไรที่พอจะนําไปใช้ได้ก็นําไปใช้อะไรที่จะเป็นเครื่องเจริญสติปัญญาได้ก็นําไปสู่การเจริญสติปัญญาอะไรที่เป็นเครื่องเตือนสติในจิตในใจของเราให้ตั้งมั่นได้ก็ทําอะไรที่จะเป็นเครื่องเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองก็ให้ได้รับสารบประโยชน์อันนั้นในตัวเองที่จะเกิดขึ้นเอาละแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวัง